เรื่องพระชพักคีฉันมะม่วงสมัยนั้นมะม่วงที่พระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัฐกําลังออกผลพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัฐทรงอนุญาตว่าขอนิมนต์พระกุญเจ้าทั้งหลาย ฉันผลมะม่วงตามสบายเถิดพวกภิกษุฉับพักคีสอยมะม่วงเลือกเอาเฉพาะผลอ่อนๆเท่านั้นมาฉันพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครรตมีพระราชประสงค์จะเสวยมะม่วงลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครรฐจึงรับสั่งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายว่าท่านจงไปสวน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 ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านั้นนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐให้ทรงทราบเท้าเธอตรัสว่าภิกษุฉันมาม่วงหมดก็ดีแล้วแต่พระผู้มีพระภาคทรงสันเสริญการรู้จักประมาณคนทั้งหลายตำหนิประนามพรทนาว่า ฉไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรไม่รู้จักประมาณฉันมาม่วงของพระราชาหมดเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตําหนิประนามโพนทนาครั้งนั้นแลภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันมะม่วงรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฏ